จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ไข่ธรรมทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันพระรหัสที่ห้าพฤษภาคมพุทธศักราช5 5 9เป็นวันพระวันธรรมวัวนะวันฝังธรรมเป็นวันหยุดราชการ เนื่องจากเป็นวันชาติมงคลสาธุชนพุทธบริสัทจึงมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาประกอบศาสนากิจของพุทธศาสนิกชนเช่นการทำบุญใส่บาตรการถวายสังฆทานการสมาทานรักษาศีลการภาวนาบำเพ็ญ จจตตภาวนาทำใจให้สงบเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลสร้างความสุขสร้างความเจริญเช่นการมาฟังเทศฟังธรรมนี้เป็นการมาสร้างความรูม้สร้างความฉลาดซึ่งเป็นบุญเป็นกุศลเป็นแสงสว่างแห่งธรรมที่จะนำพาชีวิต ให้ไปสู่ที่ชอบที่ชอบไปสู่ที่สุขที่เจริญทั้งในขณะที่มีชีวิตอยู่และหลังจากที่ได้ลาจากโลกนี้ไปแล้วความรู้ท้งาศาสนาเราเรียกว่าความรู้ทางธรรมความรู้ทางโลกเช่นความรู้ที่เราไปเรียนตามโรงเรียนตามสถาบันการศึกษาต่าง เราเรียกว่าเป็นความรู้ทางโลกความรู้ทางโลกนี้ไม่เหมือนกับความรู้ทางธรรมสู้ความรู้ทางธรรมไม่ได้เพราะความรู้ทางโลกรู้เพียงแต่วิธีที่จะเอาความรู้นี้มาทํามาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องหาเงินหาทองแต่ความรู้ทางโลกไม่รู้จักวิธีดับความทุกข์ ไม่รู้จักวิธียุติการเวียนว่ายตายเกิดแต่ความรู้ทางธรรมนี้เป็นความรู้ที่จะสอนให้ผู้ศึกษานี้รู้จักวิธีดับความทุกข์ใจต่างๆให้หมดไปรู้จักวิธียุติการเวียนว่ายตายเกิดรู้จักวิธีหาเงินหาทองหาทรัพย์หาสิ่งของต่างๆ โดยวิธีที่จะไม่มีโทษตามมาไม่มีปัญหาตามมาดังนั้นนอกจากการเรียนรู้วิชาทางโลกแล้วพวกเราก็ควรที่จะให้ความสำคัญต่อการเรียนรู้วิชาทางธรรมเพื่อที่เราจะได้มีความสุขไม่มีความทุกข์ไม่มีความวุ่นวายใจต่างๆถ้าเรียนรู้แต่ความรู้ทางโลกเพียงอย่างเดียว จะไม่สามารถที่จะป้องกันใจไม่ให้เกิดความทุกข์เกิดความวุ่นวายใจต่างๆ เ, าเกิดโทษเกิดปัญหาต่างๆตามมาได้ต่อให้จบปริญญาเอกก็ยังมีโอกาสที่ไปติดคุกติดตารางได้ถ้าไม่รู้จักความรู้ทางธรรมดังนั้นสิ่งที่เราควรที่จะมาศึกษาก็คือความรู้ทางธรรม ที่มีอยู่เจ็ดหัวข้อใหญ่ๆคือข้อที่1ให้รู้เหตุข้อที่สองให้รู้ผลข้อที่สให้รู้ตนข้อที่สให้รู้บุคคลข้อที่5ให้รู้การละเทศะและข้อที่7ก็คือให้รู้ประมาณนี่คือสิ่งที่าขาดอีกข้อหนึ่งข้อที่ รู้สังคมรู้สังคมรู้กาลเทศะรู้ประมาณรวมกันเป็นเจข้อด้วยกันข้อที่หนึ่งข้อที่สองคือรู้เหตุรู้ผลคือเราต้องรู้ว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลผลคืออะไรผลก็คือสิ่งที่เราปรารถนากันคือความสุขความเจริญความสุขความสบาย คามป่าสจากความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆผลนี้จะเกิดได้ก็ต้องเกิดจากเหตุเพราะว่าเหตุเป็นผู้สร้างให้เกิดผลขึ้นมาถ้าเราอยากจะได้ความสุขความเจริญได้การหลุดพ้นจากความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆเราก็ต้องรู้จักเหตุที่จะทําให้ผลที่เราต้องการปรากฏขึ้นมาเหตุที่จะทําให้เรา ได้สิ่งที่เราปรารถนาก็คือการกระทาของเรานี่เองการกระทาของเราก็มีอยู่สามสามช่องทางคือทำทางกายทำทางวาจาและทำทางใจการกระทำสามช่องทางนี้มีการกระทำทางใจเป็นหัวหน้าใจเป็นผู้สัง่งถึงจะมีการกระทาทางกายและทางวาจา การกระทำนี้ก็มีไปได้สามทิศทางด้วยกันทำไปสู่ความสุขความเจริญทำไปสู่ความทุกข์ความวุ่นวายใจและทำไปสู่กลางกลงไม่สุขไม่เจริญไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายใจเราต้องมาศึกษากันว่าการกระทำอย่างไรที่เรียกว่าทำแล้วทำให้เกิดความสุขความเจริญการกระทำ ที่ทำให้เกิดความสุขความเจริญก็เรียกว่าการทําบุญการทําความดีต่างๆการทําบุญการทําความดีนี้มีความหมายว่าอย่างไรก็มีหมายความว่าการกระทำที่ไม่เกิดโทษกับตัวเราหรือเกิดโทษกับผู้อื่นแต่เกิดประโยชน์กับตัวเรากับผู้อื่นเรียกว่าเป็นการกระทำความดี การกระทําที่ทําให้เกิดโทษตามมาเป็นการกระทําไม่ดีเรียกว่าการกระทําบาป ก, การกระทําบาป ก, ก็เป็นการกระทําที่จะทําให้เกิดโทษทั้งกับตัวเราและกับผู้อื่นและไม่เกิดประโยชน์แต่อย่างใดนี่คือการทําบุญแนละการทําบาปทําบุญแล้วผลที่จะได้รับคือใจมีความนุ่มเย็นเป็นสุด ใจจะเย็นใจสบายใจจะมีความอิ่มความพอถ้าทำบาปใจก็จะทุกข์ใจก็จะร้อนขึ้นมาในขณะที่มีชีวิตอยู่แล้วเวลาตายไปก็จะต้องไปเกิดในที่เราไม่ปรารถนากันการกระทำบาปจะพาให้เราไปสู่อบายอบายก็มีอยู่สี่สถานที่ เดระชานเปรตอสูรละกายนารกอันนี้พวกเรามองไม่เห็นกันเราจึงต้องเชื่อคนที่มองเห็นคนที่มองเห็นก็คือพระพุทธเจ้าพระอาหารหันตสาวกทั้งหลาย<ม>เราจึงต้องมาวัดเพื่อมาฟังเทศฟังธรรมกัน<ม>เพื่อที่เราจะได้รู้ว่าการกระทาของเรานั้นจะพาเราไปทิศทางไหนทาบาป ก, ก็ไปอบาย ถ้าทำบุญก็ไปสู่สุขติไปสวรรค์ชั้นต่างๆไปสู่พระนิพพานนี่คือผลที่เกิดจากการทำความดีและการทำบาปส่วนการกระทำที่ไม่เป็นบุญเป็นบาปเป็นอย่างไรก็คือการกระทำที่ไม่เกิดคุณแลือเกิดโทษกับผู้อื่นหรือเกิดคุณกับโทษกับหรือเกิดโทษกับตัวเรา เช่นเราออกกําลังกายไปจับจ่ายซื้อกับข้าวกับปลาอาหารไปโรงเรียนไปเรียนหนังสือการกระทําเหล่านี้ไม่ได้เกิดคุณเกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นเกิดคุณเกิดประโยชน์กับตัวเราไม่เกิดโทษกับผู้อื่นไม่เกิดโทษกับตัวเราก็เรียกว่าเป็นการกระทํากลางๆ ก, การกระทําแบบนี้จึงไม่ค่อยมีผลทางจิตใจจะไม่รู้สึกทุกข์ใจหรือจะไม่รู้สึกสุขใจ ตายไปก็ไม่ได้ไปสวรรค์ไม่ได้ไปอบายตายไปก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่อันนี้เรียกว่าการกระทํากลางๆแต่น้อยครั้งที่เรากระทากลารกลางกันส่วนใหญ่เรามักจะไปทําบุญหรือไปทําบาปกันโดยเฉพาะบาปนี้เราทํากันแทบทุกวันบาปมีห้าข้อมีวันไหนที่เราไม่ทาบาปบ้างมีวันไหนเราไม่ตบยุงไม่ฆ่ามดบ้าง ไม่ฆ่ า, มาแมลงบ้างมีวันไหนเราไม่ชอบโกงบ้างไม่เอาทรัพย์ของผู้อื่นโดยที่เขาไม่อนุญาต บ, บ้างมีวันไหนที่เราไม่ไปประพฤติผิดปรเวณีบ้างมีวันไหนที่เราไม่พูดปดมดเท็จมีวันไหนที่เราไม่เสพสุรายามาถ้าเรามีการกระทําทั้งห้านี้อยู่แสดงว่าเรากำลังสร้างเหตุที่ไม่ดีให้กับ ตัวเราเกิดสร้างความทุกข์สร้างความไม่สบายใจและสร้างอบายให้กับเราวันนี้เรามาวัดเราเลยต้องมาสมาทานศีลห้ากันการสมาทานศีลห้าก็คือแสดงเจตจำนงว่าวันนี้เราจะไม่ทำบาสนี่คือวิธีที่เราจะทาให้เราป้องกันการกระทาบาปเราต้องสมาทานศีลกัน สมาทานแล้วเราก็ต้องรักษาให้ได้ถ้าไม่รักษาก็ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนี่คือเรื่องของเหตุและผลเราพูดถึงเหตุผลทางจิตใจเป็นส่วนใหญ่เราไม่ได้พูดถึงเหตุผลทางทรัพสมบัติเข้าของเงินทองเพราะว่าการที่เราจะได้ทรัพสมบัติเข้าของเงินทองมานี้ทำบา ก, ก็มีทำบากก็ได้ ทำความดีก็ได้บางทีทําความดีอาจจะได้ช้ากว่าการทําบาปเช่นการทําบาปไปช่อกงคอร์รัปชันเดี๋ยวเดียวก็ร่ำรวยได้แต่การทําความดีทํามาหากินด้วยความซื่อสัตย์สุจริตก็ต้องใช้เวลาสร้างสร้างทรัพสมบัติขึ้นมาเพราะเราไม่ได้ไปรักไปขโมยไม่ได้ไปช่อโกง ความเจริญทางสมบัติก็เลยช้าดังนั้นเราอย่าไปเข้าใจผิดไปคิดว่าการทำความดีแล้วทำให้เราไม่รวยแต่การทาบาปทำไม่ดีกลับทำให้เรารวยกันอันนี้ไม่ได้เป็นผลที่ทางศาสนาให้ความสำคัญเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะให้ความสุขหรือดับความทุกข์แก่จิตใจได้ แต่กลับจะให้ความทุกข์กับจิตใจเวลาทําบาปแล้วได้ทรัพย์สมบัติมานี้ใจจะไม่สบายใจจะทุกข์ใจจะกังวลไม่เหมือนกับการได้ทรัพย์สมบัติมาด้วยการกระทําที่ไม่ไม่เป็นบาปได้มาแล้วใจของเราก็จะสบายนี่คือเหตุและผลที่เราควรรู้กัน mm hmm. เหตุก็คือการกระทาของเราทางกายทางวาจาและทางใจ ล้วไปทำบุญทำบาปหรือไม่บุญไม่บาปผลก็จะเกิดความสุขความเจริญหรือเกิดความทุกข์ความวุ่นวายใจหรือไม่เกิดความสุขความเจริญไม่เกิดความทุกข์ความวุ่นวายใจนี่คือเรื่องของเหตุและผลเรื่องที่สามกเ็เรื่องให้รู้จักตนคำว่ารู้จักตนก็คือเราต้องรู้จักตัวเราว่าเราเป็นอะไร คนเราเกิดมานี้มีความแตกต่างกันหลายอย่างด้วยกันเราเป็นมนุษย์เราไม่ใช่เป็นเดรัจฉานเราก็ต้องรู้จักวิธีดำเนินชีวิตของมนุษย์ถ้าเราไปดำเนินชีวิตแบบเดรัจฉานเราก็จะไม่ได้อยู่กับสังคมมนุษย์เดรัจฉานเขาอยู่อย่างไรเดรัจฉานเขาอยู่โดยไม่มีความรับผิดชอบในการกระทาของเขาคือเขาจะไม่รักษาสีง ถ้าเราเป็นมนุษย์ถ้าเราไม่รักษาสิ่เราไปทำบาปหรือไปทำผิดกฎหมายเราก็ต้องต้องถูกไปจับไปลงโทษขังคุกขังตารางถ้าเราไม่อยากจะไปติดคุกติดตารางเราก็ต้องรู้จักวิธีอยู่แบบมนุษย์วิธีอยู่แบบมนุษย์ที่จะทําให้เรามีความสุขก็คือเราต้องเคารพกฎหมายของบ้านเมืองเคารพกฎหมายกฎกติกาของสังคม เคารพกฎกติกาของบ้านของที่ทํา ง, งานทุกแห่งที่เราไปอยู่ร่วมกันนี้มักจะมีกฎมีกติกาเพื่อให้เราอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขไม่สร้างปัญหาไม่สร้างความเสียหายให้กับตนเองและแก่ผู้อื่นดังนั้นการจะอยู่อย่างมีความสุขไม่มีปัญหาต่างๆเราต้องรู้จักหน้าที่ของเรา เราเป็นหญิงหรือเราเป็นชายการเป็นหญิงก็ทำตัวอย่างหนึ่งแต่งตัวแบบหนึ่งการเป็นชายก็ต้องแต่งตัวแบบหนึ่งทำตัวแบบหนึ่งแล้วก็มีหลายฐานะด้วยกันเป็นลูกหรือเป็นพ่อเป็นแม่การเป็นลูกก็ ต, ต, ต้องปฏิบัติตัวแบบหนึ่งการเป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องเป็นอีกแบบหนึ่งเป็นนักเรียนก็ต้องรู้จักปฏิบัติตัวแบบหนึ่ง เป็นครูเป็นอาจารย์ก็ต้องรู้จักปฏิบัติตัวให้ถูกต้องถ้าเราปฏิบัติไม่ถูกต้องเดี๋ยวโทษก็ตามมาความทุกข์ก็จะตามมานี่คือเรื่องของการรู้ตนข้อที่สมให้รู้บุคคลก็ให้รู้จักคนที่เราอยู่ร่วมกันเช่นเราอยู่ในครอบครัวเราก็มีพ่อมีแม่มีพี่มีน้อง พ่อแม่เขาก็เป็นคนที่ไม่เหมือนกับเราพ่อแม่เขาเป็นผู้ให้กำเนิดกับเราเขามีพระคุณกับเราเราก็ต้องปฏิบัติกับพ่อแม่ด้วยความรักด้วยความเคารพด้วยความกตัญญูกตเวที <Yeah. S 1> กับพี่น้องเราก็ปฏิบัติกันอีกแบบหนึ่งถ้าเขาเป็นพี่เราก็ให้คความเคารพถ้าเขาเป็นน้องเราก็ให้ความเมตตา คือเราต้องรู้จักบุคคลที่เราพบปะคบค้าสมาคมด้วยเพราะแต่ละคนนี้ก็มีฐานะสถานภาพแตกต่างกันไปบางคนก็สูงกว่าเราบางคนก็เท่าเราบางคนก็ต่ำกว่าเราเราก็ต้องรู้จักวิธีที่จะปฏิบัติให้เหมาะสมกับสถานภาพของแต่ละบุคคลถ้าเราไม่รู้จักวิธีปฏิบัติก็อาจจะ ทำให้เกิดความเสียหายได้เช่นถ้าเราไม่เคารพ บ, บิดามารดาไม่ให้ความกตันยูกะตะเวทีต่อผู้มีพระคุณเราก็จะกลายเป็นคนไม่ดีไปได้ดังนั้นเราต้องศึกษาให้รู้ว่าบุคคลที่เรามาเกี่ยวข้องด้วยนั้นเขามีฐานะอย่างไรมีสถานภาพอย่างไรเช่นญาติโยมเวลามาวัดมาเจอพระสงฆ์องค์เจ้า ญาติโยม ก, ก็กราบไหว้ให้ความเคารพไม่ถือวิสาสะตีตนให้เท่ากันเพราะว่าพระสงฆ์องค์เจ้านี้ท่านสูงด้วยศีลคือท่านรักษาศีลได้มากกว่าพวกเราพวกเรารักษาศีลได้น้อยกว่าท่านเราก็เลยถือว่าเป็นผู้ที่ต่ำกว่าพระสงฆ์องค์เจ้าท่านรักษาศีลได้มากกว่าก็เลยได้ถือว่าเป็นผู้ที่สูงกว่า นี่คือเรื่องของการรู้จักบุคคลเราต้องรู้ว่าคนที่เราเกี่ยวข้องด้วยนั้นเขามีฐานะอย่างไรสูงต่ำดีชั่วอย่างไรเราจะได้ปพปฏิบัติได้ถูกต้องถ้าเขาเป็นคนดีเราก็คบค้าสมาคมถ้าเขาเป็นคนไม่ดีเราก็ไม่ควรคบค้าสมาคมนี่คือตัวอย่างของการรู้จักบุคคลนะ ข้อต่อมาให้รู้จักสังคมสังคมที่เราอยู่นี้ก็มีกฎมีระเบียบ ม, มีธรรมเนียมประเพณีต่างกันไปสังคมคนไทยก็เป็นแบบหนึ่งสังคมของคนฝรั่งก็เป็นอีกแบบหนึ่งสังคมในบ้านก็เป็นอย่างหนึ่งในบ้านเราก็เป็นอย่างหนึ่งไปอยู่อีกบ้านหนึ่งเขาก็มีสังคมที่อาจจะไม่เหมือนกับเรา เราต้องรู้จักว่าเขามีขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามอย่างไรแล้วเราก็พยายามปฏิบัติตามเขาอย่างที่โบราณมีคำพูดไว้ว่าเข้าเมืองหลิวให้หลิวตาต่างไปอยู่ที่ไหนสังคมเขามีประเพณีทำกันอย่างไรเราก็ทำกันอย่างมาวัดนี้เราก็มามา มาร่วมกันมาทำกิจกรรมต่างๆเราก็มานั่งกับพื้นกันเราไม่ยืนไม่เดินอะไรกันอย่างนี้คือเราต้องรู้จักสังคมว่าเขามีกฎมีระเบียบมีกติกาอย่างไรถ้าเราไม่สามารถปฏิบัติตามกฎกติกาตามระเบียบของสังคมได้เราก็จะถูกเขารังเกียจและจะถูกเขาเชิญให้ออกจากสังคมนั้นไป เพราะอยู่แล้วก็จะสร้างความเสียหายสร้างความวุ่นวายให้แก่สังคมนั้นได้ดังนั้นเราก็ต้องรู้จักสังคมต่อมาก็ให้รู้จักการลาเทสะการลาเทสังก็คือเวลาละสถานที่เวลาเราไปในแต่ละสถานที่นั้นเขามีการกระทำอะไรที่ไม่เหมือนกันเราก็ต้องรู้จัก วิธีที่จะทำตัวเราให้ถูกกับกาลเทศะเช่นเวลาเรามาวันขณะที่มีการกระทำพิธีกรรมต่างๆเราก็ควรที่จะร่วมทำพิธีกรรมนั้นไม่ควรจะไปทำอย่างอื่นเช่นเรามาสายพอมาถึงเขากำลังนั่งฟังเทศฟังธรรมกันแต่เราอยากจะนำกับข้าวกับปลาอาหารมาถวายเราก็ไปเดินไปหยิบชามจาน ไปหยิบอะไรต่างๆมาเพื่อที่จะเตรียมข้าวเตรียมของเอามาถวายพระเวลานั้นไม่ใช่เป็นเวลาที่เราควรจะทํากิจอันนั้นเวลาที่เราควรจะทํากิจก็คือทําร่วมกับกิจของผู้อื่นถ้ากําลังฟังเทศฟังธรรมก็ควรจะฟังเทศฟังธรรมร่วมกันถ้ากําลังรับศีลรับพรก็ควรที่จะรับศีลรับพร ถ้าเวลากำลังใส่บาตร mm. ก็ควรที่จะใส่บาตร mm. คือทำอะไรให้มันถูกกับกาลเทศะแล้วจะทำให้ไม่บีปัญหาอะไรต่างๆตามมา mm. นี่คือรู้จักกาลเทศะและข้อสุดท้ายก็คือให้รู้จักประมาณ mm. คำ ว, ว่ารู้จักประมาณก็คือให้รู้จักความพอดีสิ่งต่างๆที่เราทำนี่มีความพอดี เหมือนเสื้อผ้าเหมือนรองเท้าถ้าเราซื้อเสื้อผ้าซื้อรองเท้าเราก็ต้องซื้อขนาดที่พอดีกับเราถ้าเสื้อมันใหญ่ไปใส่มันก็หลวมดูแล้วไม่สวยถ้าเสื้อมันคับใส่ไปมันก็ใส่ไม่ได้เล็กไปก็ใส่ไม่ได้เช่นเดียวกับรองเท้าสิ่งเหล่านี้มันมีขนาดของมันตัวเราก็มีขนาด าฐานเนภาพของเราก็มีขนาดการกินอยู่ของเราก็ต้องรู้จักประมาณการใช้สอยปัจจัยสี่คืออาหารเครื่องนึ่งหงที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเราก็ต้องใช้ให้มันพอดีกับฐานะของเราเรามีเงินน้อยเราก็ต้องใช้ของถูกอย่าไปใช้ของแพงถ้าใช้ของแพงเราก็อาจจะไม่มีเงินพอที่จะ ซื้อของต่างๆมาใช้ได้แล้วถ้าเรามเงินไม่พออาจจะต้องไปรักขโมยไปช่อโกงไปหาเงินมาโดยวิธีที่ไม่ถูกต้องเราก็จะไปสร้างความทุกข์สร้างความเสียหายให้กับตัวเราเราต้องรู้จักประหยัดรู้จักฐานะของเราเรามีเท่าไหร่เราก็ต้องใช้ตามกำลังที่เรามีอยู่อย่าใช้เงินเกินตัวใช้ตามฐานะ มีน้อยก็ต้องใช้น้อยอย่าไปมีหนี้เพราะการมีหนี้นี่มันจะทำให้เราต้องไปใช้หนี้และจะต้องไปทำบาปเพราอบางเวลาเราจะไม่มีความสามารถที่จะหาเงินมาใช้หนี้ได้เราก็อาจจะต้องไปลักทรัพย์ไปช่อโกงแล้วการใช้ปัจจัยสี่นอกจากใช้ให้ถูกต้องตามฐานะแล้วยังต้องรู้จักใช้ให้มันพอดี พอดีต่อความต้องการของร่างกายอย่าไปใช้ตามความต้องการของใจถ้าใช้ตามความต้องการของใจแล้วมีเท่าไหร่ก็ไม่พอใช้เช่นเสื้อผ้านี้ร่างกายต้องการใช้สักกี่ชุดกันสำหรับพระนี่พระพุทธเจ้าให้ใช้ผ้าสามผืนก็พอหนึ่งชุดไตจีวรนสำหรับญาติโยมเอาสักสี่ห้าชุดก็น่าจะพอไม่ต้องมีหลายตู้ บางทีเสื้อผ้าเราซื้อมานี่ไม่ได้ซื้อเพราะร่างกายต้องการแต่ซื้อเพราะใจต้องการเห็นแล้วชอบอยากได้พอซื้อมาแล้วบางทีใส่หมึ่เดียวแล้วก็เลิกใส่พอไปเห็นชุดใหม่เข้าก็อยากจะซื้อชุดใหม่มามาใส่อีกถ้าการซื้อของแบบนี้ใช้ของแบบนี้จะทำให้เรานี่ต้องวุ่นวายกับการหาเงินหาทองมาซื้อกับของที่ไม่จาเป็น แทนที่จะมีความสุขอยู่เฉยๆไม่ต้องดิ้นรนกับการหาเงินหาทองมากจนเกินไปก็จะต้องมาวุ่นวายกับการหาเงินเพื่อมาซื้อของที่ไม่จำเป็นต่างๆแต่เพราะใจอยากได้เห็นแล้วชอบก็อยากซื้อมาทั้งๆที่ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องซื้อมาเป็นการสร้างความทุกข์สร้างความกดดันให้แก่ชีวิตของเรา แทนที่จะอยู่กันอย่างสบายๆก็ต้องดิ้นหนหาเงินหาทองกันแทบเป็นแทบตายแทนที่จะมีความสุขกับไม่มีความสุขความสุขเกิดจากการที่มีความมักน้อยสันโดษถ้าเรามักน้อยเราก็ไม่ต้องดิ้นหนุนมากไม่ต้องหักโนขวายมากไม่ต้องต่อสู้มากไม่ต้องแข่งขันกับใครเขามากไม่ต้องเหนื่อยมากแต่ถ้าเราไม่มักน้อยนี้ เราอยากได้มากๆเราก็จะต้องดิ้นโน้หากันไปอยู่เรื่อยๆหาได้มากน้อยเท่าไหร่ก็ไม่มีความความพอเพราะความอยากนี้มันไม่มีขอบไม่มีเขตมันไม่มีความพอถ้าเราทําตามความอยากซื้อของตามความอยากเราจะต้องซื้อไปเรื่อยๆซื้อมาเท่าไหร่ก็ไม่พอเราจึงต้องใช้ธรรมะของพระพุทธเจ้าคือรู้จักประมาณ การรู้จักประมาณก็คือให้รู้จักเหตุของความจําเป็นว่าเราต้องใช้มากน้อยเพียงไรเช่น <st> <st> รองเท้าเราต้องใช้กี่คู่กันรองเท้าเราก็มีเพียงคู่เดียวเวลาใส่รองเท้าก็ใส่ได้ทีละคู่ทําไมต้องมีเป็นสิบเป็นร้อยคู่อันนี้มันไม่มีเหตุไม่มีผลถ้ามีเหตุต้องมีก็ซื้อได้เช่นใส่รองเท้ากับเครื่องแบบใส่รองเท้ากับ เวลาอยู่บ้านอย่างนี้ก็อาจจะต้องใช้ต่างกันไปขอให้ใช้ด้วยเหตุด้วยผลอย่าใช้ด้วยความอยากเพราะความอยากจะทำให้เราต้องลิ้นนนไปหาสิ่งต่างๆมาแลหามามากน้อยก็ไม่มีคำว่าพอถ้าไม่มีคำว่าพอก็จะไม่มีคำว่าอิ่มไม่มีความสุขแต่ถ้าเรารู้จักใช้ด้วยเหตุด้วยผลเราจะรู้จักคำว่าพอ ถ้ามีเสื้อผ้าพอใส่แล้วเราก็บอกว่าพอแล้วไม่ต้องซื้อแล้วมีรองเท้าพอใส่ก็พอแล้วแล้วเราก็จะอยู่อย่างเย็นอย่างสุขอย่างสบายไม่เครียดกับการหาเงินหาทองเพราะการหาเงินหาทองก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่หาได้ง่ายเวลาหาไม่ได้ก็เดือดร้อนวุ่นวายเพราะเงินทองไม่พอใช้ที่ไม่พอใช้เพราะว่าไม่ใช่ไม่มี ไม่มีเงินทองแต่ใช้มากเกินความจําเป็นนั่นเองถ้าใช้ตามความจําเป็นแล้วรับรองได้ว่าพวกเราทุกคนนี้จะมีเงินเหลือใช้กันทุกคนที่ไม่เหลือใช้เพราะไม่ใช้เหตุใช้ผลไม่รู้จักประมาณใช้ตามความอยากดังนั้นเราพยายามใช้เหตุใช้ผลกันรู้จักประมาณความต้องการของร่างกายว่าต้องการเสื้อผ้ากี่ชุด ต้องการอาหารวันละกี่มือ้อต้องการยารักษาโรคมากน้อยเพียงไรต้องการที่อยู่อาศัยมากน้อยเพียงไรให้ใช้เหตุใช้ผลแล้วรับรองได้ว่าเราจะสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายของเราได้ถ้าเราควบคุมค่าใช้จ่ายได้เราก็จะมีเงินเหลือใช้นี่คือเรื่องของการมี ความรู้ธรรธรรมเจข้อด้วยกันที่จะทำให้เราอยู่อย่างมีความร่มเย็นเป็นสุขจะทำให้เราไม่มีความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆก็ขอให้เราจงนำเอาไปใช้กันคือหนึ่งให้รู้เหตุสองรู้ผลสรู้ตน 4. รู้บุคคล 5. รู้สังคม 6. รู้กาลาเทศะและเรู้ประมาณ ถ้ารู้ความรู้ทั้งเจ็ดข้อนี้และปฏิบัติตามได้ชีวิตจะมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญโดยถ่ายเดียวการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีรัตนตรยัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัย ให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุวั น, นสุขภาละโดยทั่วหน้ากันเทิน